นั่งตามสบายนะถ้าไหนไม่สบายของใครของเราแล้วก็ตอนนั้นพระก็ให้ดูส่วนเดียงกังหดดูดวงจิดตดวงใจของเราสร้างรวมระวังทำจะเข้าไปสัมผัสจิตใจของพกเราเมื่อเราจำได้ก็นำไปไปฏิบัต คือเห็นว่าคําไหว้พระบรมธาตุก็มีวิญญาณนี่แต่มันมันหลักสูตรอันเดียวกันบหมือนกับที่หลวงปู่ศึกษาเรียนมาพระบรมธาตุพระสาลีฤกษ์ธาตุของพระพุทธเจ้า่ประธาตุเจ็ด มาเจ็ดพะเจ็ตรงมีพระลากขวานพระลากขวนทั้งสองนี่ที่พวกเราเรียกว่ากระดูกให้ปลาล้วนฉันเรียกเป็นพระลากขวานพระลากขวานทั้งสองพระลากขวนทั้งสองแล้วก็พระเขี้ยวแก้วฟันนี่เรียกว่าพระเขี้ยวแก้วพระเขี้ย ว, วพระเขี้ยวแก้วซีน กพระศีอุณหิตอืที่เป็นสามเหลี่ยมอยู่ตรงหนึ่งมันเป็นเป็นเป็น อ, น อ, น อ, องค์พระพุทธเจ้ามันจะมีพระอุณหิตนีอืมเจ็บพระองค์จิตอง ค, องค์ไฟจะไม่สหารไฟจะไม่ไหม้ตอนนี้อยู่กระจายไปถึงห้าพันพระวัดศาลห้าพันปีพระมรรมาธาตุจะมารวมกันเป็นองค์พระพุทธเจ้า ที่ประเทศศรีลังกาเทศโปรดศาตร์อยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนในขั้งนั่นทำไมนั่นเทศโปรดเอาได้เลยไม่ทราบว่าได้ถึงขั้นพระอรหนันต์ลื่องถึ ง, งไปถึงขั้นเลื่อมใสคือเท่าไรเนี่ยท่านไม่ได้พรนนาไ ว, าว้ในขั้งนั่นได้ ท่านปรดเอาสัตย์ได้ในข้างนั้นได้สี่อสงไขยสองล้านสามแสนหกสิบเอ็ดพันโกดุแล้วพระเตโชธาติคำพิ้งว่าพระเตโชกับหมายถึงไฟแล้วพระเตโชธาตพระเตโชธาตาิจะโพยพรุ่งโพธโชชนาการสังหารบวรพุทธสาลีลิกธาตให้สิ้นสุดในวันพุธ เดือนหกขึ้นสิบห้าค่ำชิมหันตะละดูปีสวดนักกษัตย์อัฏฐศกพระพุทธศาสนาก็จะสิ้นวันจบครบจำนวนทวนห้าพันพระวจาน <c oughs> ฟังอยู่้วปูจิตวดให้ฟัง <c oughs> วทธิวัตรเปนมีหนังสือ <c oughs> ต้องปูพีมาไว ป, ปีก่อนไปงานสงองเจดีท่านอาจารย์ที่ผู้เก็ตไปสวดอยู่ผู้เก็ตพอสวดไปถึงพระอังคารทานเท่าเสาเสิงตะกอนจิตประเกิดสวดสังเวชขึ้นมา น้ำตาคอออกมาที่นี่มันสวดไปไม่ได้มันจะอึนขึ้นนั่นพอหลวงปูกก่จะอึนขึ้นพวกญาติโยมที่ฟอนก็แค่กระพักกันล่องให้เหมือนกันพอ ก, กลับมาถึงวัดพวกญาติโยมโคนรเก่งเลือกไปขอพิมพแล้วให้เขาพิมพ์ไม่ทราบว่าพิมพ์มือจะไปแจกกันว่ากันสวนใจ ส, สวด <c oughs> <c oughs> อห้หลวงปูจะสวดให้ฟังจังหน่อยหนึ่งจังเศษเทียงก็ได้หรอก อสวสดีครับเจ้าว่าเชศก็ได้เหมือนกันมันจะรู้เรื่องของพระพุทธศาสนารู้เรื่องของพระพุทธเจ้าอุ ก, กาสค า, าพระเจ้าจะขอโยกรบวรวันทาปะนมนื้อหัดถาขึ้นเหนือเสียน ต่างประชีพทูบเทียนเจลเจตประกานและโ ก, กสมฉุมมามาตปรปทุมชาติอันสดช่วงโอภาษเจีมจำหลัดด้วยเมื่อองค์สมเด็จพระผู้ทรงสวัสดิ์อนาวริยานผู้เป็นศาสตราจารยาส์สรรพญูบรมครูเจ้าสเสด็จเข้าสู่พระปรินิพานพระองค์ทรงพระดิฉัณพระบรมสารีริกธาตุไว้สิริพระบรมธาตุน้อยใหญ่ตวงได้สิทนานทองส่วนพระลักขวรทั้งสองพระเขียวแก้วสีกับพปรงสี คณนะหิตหนึ่งนับรวมกันได้ครบเป็นเจ็ดองนี่แลยังคงตามสภาพเดิมไม่ได้ลักลั่นด้วยว่าเพิงสถานก็หามีได้แต่พระทีน้อยใหญ่นั่นพลันถูกเพิงไม่สังหารผูรืยัดลงยังคงแต่พระปรมสารีลีกศาสตร์สามสถานมีประมาณใหญ่หน่อยปานกลางต่างกันเป็นสามขนาดพระบรมาธาตุอย่างใหญ่นั่นมีประมาณทวาลีสหัวหัก ตวงจักได้ห้าทานานทรงพวอนสันถานประมาณเหมือนหนึ่งว่าพันทองอุไรพระบรมธ า, า, าตุขนาดกลางนั้นไสมีประมาณามเท่เล็ดข้าวข้าวเมล็ดข้าวสันหักตวงจักได้ห้าอาใจห้าทนานทรงพระวอนสันถานประมาณเหมือนพันแหววแก้วผลึกอันเลื่อนลอยส่วนพระบรมสารีริกธาตุขนาดน้อยมีประมาณเท่เมล็ดพันผักกาด ตวงตักใดหกทนานทรงพระบวรสันฐานเหมือนพันทีดอกพิกุอรุณ ญ, ญาสีพระบรมสาลีลิกาตาทั้งหลายนี่มีหมู่มนุษย์และเทวานิกร อ, อมอนยินพรมตังอภพิรมภากรมาอังเสริญเสด็จไปปฏิสถานรักษาไว้พระบรมธาตุองค์ใหญ่คือพระลากขวนายสถิตยอยู่สั้นพรมพระลากขวนเบื้องขวัวกับพรรลัุนนิต เสด็จสถิตอยู่เมืองอนุราชสิงหนภาเขี้ยวแก้วหัวเบื้องบนสถิตอยู่ตาพระจิงสาสวรรค์ภาเขี้ยวแก้หัวเบื้องล่างนั่นสถิตอยู่เกาะเกลังกาสิงห์นพาเขี้ยวแก้วใส้เบื้องบนสถิตเมืองคันธราวิสัยภาเขี้ยวแก้วใส้เบื้องล่างนั่นใสสถิตอยู่ดดนาฏพิภพสถานส่วนพระบรมสารีริกาชาตุทั้งทิมหทนานปฏิสถานอยู่ในแผ่นพื้นภูมิภ า, ภ า, ภาคกรุงธนทั้ง8คือเมืองราชคือบุรี เออ เมืองภัยสาลีสวัสดิ์เมืองกบินลพัฒมหาคนครเมืองงานละปะบุรีลมละบ้านพรหมณิคมเขตเมืองเทวทนประเทศเมืองปาวายภูรินเมืองกุศินารายพระแกศาโลมานค า, าทันตาทั้งหลายเลี้ยงลายอยู่ทุกทิศทั่วจักรวาลฝ่ายพุทธบริขารคือบาตรจีวรท่อนผ้าสันทัตประคดในสมุกเหล็กไฟและกองเข็มผ้ากรองน้ำทรมกาลุกศิษยาซาดอกกระสุบส ทั้งนิสีชนะมีดกนธโกบาทและเครื่องลาดพระเทบนบรรทมและลูกหลทองสรองข้าบาทศาสตร์บริขารทั้งหลายนี้องค์ขัตยบดีพมหาสารผู้เลื่อมใสมีกมลมาลประกอบไปด้วยสัทธาเป็นอย่างยิ่งได้อังเซนธิธาตุบริขารทั้งสิสิ่งนี้ไปปฏิสฐานรักษาไว้ทั้ง16เมืองต่างพากันทําศักดิละโดยลุ่งเรื่องเห็นปรากฏกายบรรธนางพระพุทธรัตนประคตอยู่เมืองเทวตห ฮาลาดปัตโตบาดอยู่เมืองอนุราชสิงห์นทวีปลังกาอุทกกะสาสกังผ้าสุทรงอยู่เมืองปัญจลนครจีวรังจีวอนอยู่เมืองคันธรารพิไซฮาลณีสมุกเหล็กไฟอยู่เมืองตกะศีลาวาสิตชุจิศักขลังมีดกนและก่องเขียนปฏิทานอยู่นครโกศินาลารัตนมหาสวรรค์พระบรมสาหลีเลียข้าทาทั้ง22ประการ น, นั่นทรงพระคุณนันใดยิ่งพระองค์ทรงอนุญาตปร ท่านไววทุกสิ่งด้วยพระมหาการุณาฝังพระหไทยเพื่อจะให้เป็นที่ไหวเป็นที่สักการบูชาเกิดผลานิสงเป็นสบัสดีมงคลแ ก, แก่แก่แก่ฝูงเทพพยายดาและมนุษย์จนขัวจะเชื่ทิศสุตรพระพุทธศาสนาขั้นหล่วงการนานมาถึงห้าพันปีพระบรมชาติทั้งหลายนี้จะเสด็จไปสู่ไปสู่ จะประชูเจริยสัทฐานดำรงอยู่โดยจำเนียนการเมฆขั้นนนได้คาดขั้ น, น, นถึงการประพุทธศักราชล่วงไปได้ 4, 9, 9, 9, 9, 000, ส9่พั้าร้อย้าสันษาเศษสังขญาเดือนล่วงได้สิเบดเดือนกับยี่ิบสวันวันพันฤดีเดือนหขึ้นเก้าคำขิมหันตระดูปีส่วนน ก, กษัตริย์อัศศกเวลาใกล้ลงอนุไทยพระบรมธาตุทาทงหลายนี่ไส้จ ะ, จะเฉด็จไปสู่สถานที่สันนิบาตมีทันนันจะทง จะทำยมกปติหารด้วยพุทธอันมีเศษบังเกิดพุทธนิเวศและพุทธวาระกายสูงได้สิบแปดศกแป่งรัศมีออกสิบหกประการทรงพระวนสันสานวิจิตจำหลัดสีสุนทโลพาสทรงพระศิวิราชอันเผืดแผ้วดวงพระพระก็ผ่องแผ้วดังสีทองธรรมชาติพาลูกองสมเด็จพระบรมรุกขนาเสด็จิตขึ้นนั่งเหนือลนะัตนาบัลลังอาจมีสมาที่มั่นควณนะกองไม้ฟาสีมหาโพ ส่วนสัมยมกพิหานโปรดสับ์ปดสัตว์คนทับเทวานิกรอมอนหรือสีสิทธิพยาธรจินนอนนาคลาชทั้งหมู่อาสุนเดระดาษนั่งแน่นเหนือแผ่นพื้นพระุทธา ตรัสชาหังทรงตรัสพุทธมเทศนาโปรดอีกเจ็ดวันในข้างนั่นได้เสียสงไข่สองล้านสามแสนหสเก็ดพันโกดแล้วพระเตโชท่าจะพุ่งพุพ่งโพธโชตนาการสังหารบวรพุทธศาลีลิกธาต์ให้สิ้นสุดในวันพุธเดือนหกขึ้นห้าคำกิมหันตะระดูปีสวดนั ก, กษัตริย์อัศกตอพุทธศาสนาก็จะสิน้นบรรจบครบจํานวนท้น 5, ว่วห้าพันโดศาอหังวันท่ามีท่าตุโยข้า เจ้านอบน้อมนมัสการซึ่งพระบรมสารีริกธาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหังวันทาบิสัพปะโซ่ข้าพเจ้านอบน้อมขอนมัสการซึ่งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นด้วยประการทั้งปวงสู้วัตทีห้อตูสัปทาว่าความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าในกันทุกเมื่อเถิดนี่ถ้าใครสนใจ อ่าใช่ให้ข้อรายให้อยู่อ ย, อยู่อยู่นี่ก็มีอยู่วัดซอยเชียงนานพิมพ์ว่าแวพวกญาติโยมเขาสวดอยู่วัดซอยเชียงนานวัดหลวงปู่หลอดมีถ้าใครสนใจอืแต่รู้เรื่องอืมหน้าอาจารย์เนี่ยพระหลักขวรตั้งสองพเกี้ยวแจ่มสีกับพระที่อุณาหีหไฟไม่ไหม่อ๋อฟัง อ่าเศษฟังธรรมต่อไปต <c oughs> ลกประโยคแรกประกันทาความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยคำที่ว่าพุทธศาสนาพุทธศ า, า ส, าาสานาศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสอนอืมให้ปับพืดดีพระพืดพชอบละบาบปบำเพ็ญบุญนี่นี่ว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้คือจิตใจของพวกเราศาสนากแปลว่าคําสอนพระพุทธเจ้าสอนให้อละบาปบําเพ็ญบุญละชั่วก็ทําดีพุทธะศาสนา ว่าพระพุทธพุทธะแปว่าผู้รู้ธรรมะคือทำคําคสอนของพระพุทธเจา้าสังฆะผู้ปฏิบัติที่ในผ้าไม่ได้อยู่กับผ้าเหลืองกับหัวล้นนี่อันนี้กับอันนี้กับเป็นพระจริงอยู่แต่บ้นเป็นพระสมมุติสมมุติเรียกจริงแล้วจริงจริงแล้วจิตใจผเป็นพระเป็นฆราวาสญาติโดยมเหมืนอนผวกเรายังไม่ได้บวชก็เป็นพระได้ อะไ ร, รเป็นพระจิตใจเป็นพระถ้าจิตใจเขาไปเห็นศีลเห็นธรรมที่นี่จะถามว่าอะไรเป็นศีลอะไรเป็นธรรมที่นี่ศีลก็คือจิตใจของพวกเราทุกคนธรรมก็คือจิตใจของพวกเราทุกคนนั่นแหละนี่ถ้ารักษาถ้าไม่รักษามันยังไม่เป็นศีลมันยังไม่เป็นธรรมถ้าถ้าจิตใจเป็นศีลเป็นธรรมแล้วมันจะเกิดเมตตาสงสารบุคคลเดินสัตว์อื่น เมตตาสงสรรสิ่งกันและกันต่างคนต่างเมตตาส่งสารคสิ่งกันและกันต่างคนก็ต่างให้ความถูกซึ่งกันและการนีเรียกว่าจิตใจเป็นสิ้นจิตใจเป็นธรรมที่นี่จุดหมายปลายทางจริงๆที่พระพุทธเจ้ามาสอนสัตว์โลกเนี่ยมาสอนพวกเราอยากให้พวกเราเนี่ยไม่อยู่ในการเกิดถ้าไม่เกิดพระกรรมไม่เสื่ไม่เกี่ยวไม่ตายแล้วที่พวกเราพากันปรารถนาเนี่ยให้ทานเมื่อกี้เนี่ยปรารถนา ขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งพระนิพพานคำที่ว่าพระ น, นิพพานพระนิพพานคือนิ้นิพิธาความเบื่อเองนิพิธาความเบื่ออืมอย่าไปเข้าใจว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามันจะอยู่ในท้องฟ้าอากาศจะมาสวมมาพวกเราไม่ใช่พวกเรานี่จะรู้เองเห็นเองผู้ปฏิบัติธรรมที่ประโยคแรกที่พวกเราจะได้รู้จะเห็นประโยคแรกก็คือทุกข์นั่นแหละ พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้าก็เหตุทุกข์จิตใจของท่านจังพวทุกข์เมื่อเห็นทุกข์เหรอจิตใจปล่อยวางทุกข์ปล่อยวางเหตุให้ทุกข์เกิดคือตัวสมมติใจเหตุให้ทุกข์เกิดนี่มันเป็นสัจธรรมเป็นของจริงทุกข์กับเป็นของจริงเหตุให้ทุกข์เกิดกับเป็นของจริงเมื่อเมื่อเหตุกับทุกข์สงบลงไปดับลงไปท่านจะให้ซีให้นามว่า นิโรธคือความดับทุกข์เมื่อทุกสงบานาุงไปนานๆท่านซี้ให้น้ำว่านิโรธคือความดับทุกข์เพราะฉะนั้นจะว่าก่ อ, อนจะสาวเข้าไ ป, ปพิจารณาลงมือปฏิบัติประโยคแรกก็ต้องรักษาสิ่ น, นี้ก่อนพวกเรากับสินห้าหรือสินแปดรักษาให้บริสุทธ น้อยหนึ่งนิดเดียวไม่มีถ้าน้อยหนึ่งนิดเดียวมีมันจะทําให้จิตใจเศร้าหมองขุนมัวทีนี้ถ้าจิตใจเศร้าหมองขุนมัวแล้วทีนี้สิ่งที่ควรรู้มันก็รู้ไม่ได้สิ่งที่ควรเห็นมันก็เห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจะให้รักษาให้มันบริสุทธิ์ให้กายบริสุทธิ์ปาจา บริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์ปกติไม่มีโทษมันจะจุดจุรู้ได้สิ่งที่ควรรู้ประโยคแรกก็คือทุ ก, กันละ่ะถ้าผู้ใดเห็นทุกมากมากผู้นั่นจะอะ่ผู้นั่นจะพ้นทุกพระพุทธเจ้าและพระอริเจ้าทั้งหลายนท่านเห็นทุกถ้าคิดเ ป, เป็นเปอร์เซ็นน่ะมันหลักร้านไปเน้อพอใจมันจะเต็มทุกจะเต็มเหตุที่ทุกเกิดก็เต็ม เมื่อมันดับลงไปสุขก็เต็มเหมือนกันนี่นมันเลยสุกไปอีกนี่ถ้าถ้ามันผ่านไปได้เพราะฉะนั้นจะทำว่ า, มมาพวกเราเป็นฆราวาสญาติโยมจะปฏิบัติจะรู้ได้เห็นได้ไหมนี่ไม่ต้องสงสัยเลยต้องได้รับผลแน่นอนไม่มากก็น้อยสะสงไปเรื่อยๆถ้ามันไม่ผ่านในสัปัจจุบันนี้ก็ต่อไปสัปดาห์ต่อไปต่อไปอจนเหมือนกับ อธิท่านพยากรพระโสด า, า, พาพระโสดาเ่า่ยท่านาาท่านพยากรไหมเจ็ดปีไม่ใช่เจ็ดชาติเจ็ดชาติเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันแล้วแต่กำลังพลังสติปัญญาของใครผู้ปฏิบัติถ้ากำลังมาก ผลพลังมากพลังอะไรศรัทธาศรัทธาภระวิ ร, ยริยะภระคือคุณเพียรสติภระสมาธิภระปัญญาภระาภราทา๊ทั้งหาทั้งห้านี่ถ้ามันค้อมกันเมื่ อ, อไรละ่นะน่ะเมื่อมไมันจะให้ผลจะทมากจะได้รับผลไหมไม่ต้องสงสัยขอให้ขอให้ปฏิบัติสะสมไปมไปสะสมไปเรื่อย หรือจะเร่งเหมือนกับเขาขับรถหรือภายเรือเนี่ยข้ามแม่น้ำนี่รีบท่อรีบภายนี่ยถ้าเร่งเข้ามันก็อาจผ่านไปได้เร็วก็ได้ถ้ามันพร้อมกับบุญบารมีมาแต่แต่เบื้องหลังหลายชาติหลายพบทีท่ปฏิบัติสะสมกันมา ถ้ามันพ่อมหลายอย่างหลายอะไรอย่างมาบวกกันเหมือนกำนางกุงธนเกษีนนั่นแหละฟังฟังเทศพระสารีบุตรประโยคเดียวนยหนึ่งไม่มีสองหนึ่งคืออะไรอืนางกุงธนเกษีเดินสำเร็จเป็นพระราหันโดยเสียพันแต่ว่าก่อนนางกุงธนเกษีจะไปได้ฟังธรรมของพระสารีบุตรแรกๆนางกุงธนเกษีนี่ ไปเกิดอยู่ในตระกูลเศรษฐีและมีเป็นลูกสาวคนเดียวนี่อยู่ต่อมานี่พอไปศึกษาราเรียนมาม า, มาพักมามาอยู่ที่บ้านรอการเวลาที่จะแต่งงานอยู่มานี่ก็ได้ปรากฏว่าได้ข่าวว่าพวกเจ้าหน้าที่เขาไปจับโจรูปหล่อมาไม่ จับตัวรูปรอมานางกุณทงเจสีก็เลยสนใจเพราะเขาคุมตัวผ่านถนนผ่านมาใกล้ๆบ้านตัวเองก็ไปเปิดหน้าต่างดูพาอเปิดหน้าต่างไปดูพอไปเห็นไอ้ชวนรูปรอเนี่ยโอ้ไม่ได้ละจีนี่ถ้าไม่ได้ไอ้ชวนรูปรอมาเป็นสามีละ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับที่นี่ก็ที่นี่ มันดาวก็เลยไปถามว่าเธอเป็นอะไรแค่เป็นนิวเซนแกกระเล็บอกว่าอยากได้อจุนมาอยู่ด้วยพ่อแม่ก็เลยไม่เคยขัดใจตั้งแต่อ้อนแต่ออดมาจนถึงจเจริญเติบโตม า, า, าเป็นหนุม่มเป็นสาวนี่ก็เลยไปถ่ายอายจรย์มาพออ า, อาจรย์มามาอยู่ด้วยกันที่นี่ อาจนก็คือโจรมันไม่ได้ยินดีกับไอ้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในตระกูลของนางอกุงทนเกษีเศรษฐีเนี่ยจิตใจมันอยู่กับเพื่อนกับฝูงอยู่ในปาน่าในเขาสามัยนั้นขึ้นรี่กว่าโจรห้าร้อยแล้วก็าไปอยู่ในปาน่าในเขาคิดถึงเพื่อนมาอยู่กับนางกุงทนเกษีนั้ไม่ทราบนานเท่าไหร่เดือนนี่เดือนนี่สองเดือนนี่เท่าไหร่นี่สามเดือน เกะกีดคุนอยู่นะอยู่ๆวันหนึ่งก็เลย บ, บอกกับนางกุงสนแก่ศีว่านี่เธอออที่ฉันไ ม, ไม่ไม่ตายลอดตายมาเนี่ยเพราะฉันนอบน่บานบานบนบนบานสารเก่าเจ้าป่าเจ้าโดงไม่อยู่ในป่าในในเขาเนป่าในภูเขาเลึกๆภูที่ที่ฉันไม่ตายแล้วจะหา ของเอาเปอร์บนบ้านจะได้ไหมคุณคุยกับนางกรุงนเกสีนางกุงชนเกสีก็เลยว่าเราจะเอาอะไรต้องการอะไรมันมีทั้งนั้นเละอยู่อยู่ที่บ้านเราสิเพราะโกลงกันได้ล้วทียนกอดถึงถึงการเวลากำหนด ก, การจะไปแล้วก็จัดเอาของแต่ว่านางโจนัมันมีอุบาจก ได้เออของเนี่ยไปหาเพื่อนอ่านที่ปาที่เขามันบอกว่าธรรมดาไปทำพีกรรมต้องเต็มแต่งตัวเต็มยศไปสเครื่องแต่งตัวมีเท่าไหร่เอาไปให้หมดสอพวกซ อ, องพวกเหอนพวกอะไรของอมีราคาไปแต่งตัวเต็มเดียบรให้เอาไปให้หมดสุด้าตัตกลงกันได้ก็พ ก, กับไปที่เะียวพวก อคนงานคนใสน่เขาก็ไปส่งไปถึงป่าถึงเขาเลยไม่มีหนทาง ม, มีแต่ไอาจรพานางองศน์องชอนเจ็ีบุกเข้าไปขึ้นไปบนภูเขาชุงสูงในป่าในรกจริงๆพุน่นพอไปถึงภูเขาแล้วที่นี่ไอจโจรกลับคําใหม่แล้ว <c oughs> ไอเนียมพมาถึงที่นี่แล้วเนีสถานที่นี่อืม อันนี้ฉันหลอกเธอมานั่ะนี่ฉันฉันฉันไม่ย้อนไม่ย้อนกลับไปเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม่กลับไปเราฉันจะฆ่าเธอหน่ะนี่นวา่าสินอ๋อนางกุ้งทงเจีสีกันเลยว่าเอาที่ฆ่าฉันทําไมวะสินถ้ามาให้เป็นภรรยากวขอให้เป็นขี้ฆ่าก็แล้วกันวนะ่าสินขี้ฆ่าก็ไม่เอาอะไรก็อะไรก็จะไม่เอาอ ไม่จะฆ่าอย่างเดียวนี่สันไม่มาโอ้เอาเอาฉันฉันไม่กลับไปถ้าถ้าเขาตามมาเมื่อมาเจอเขาเขาก็จะเอเขาก็จะมาอฆ่าเราอะอืมไม่ไม่ต้องต้องไม่เอาไว้ต้องฆ่าแน่นอน ย, ยังไงยงไงก็ก็กไม่เอาไว้บ่ไม่ไม่เอาจะฆ่าอย่างเดียวโอ อาจนจะเอาจริงๆจัง ๆ, ๆที่นีก่นนางกรุงทนเกสีก็ว่าเออไหนๆนอาจนไม่ก็จะเล่น ง, งานเราจริงๆไม่จะฆ่าเราจริงๆก่อนจะตายออสติปัญญาวิชาความรู้ที่เราไปเรียนมาเนี่ยเอามาใส่ให้มดให้ให้ใหมดกร่อน จะให้อายให้ฆ่าให้ให้ตายเอแล้วกําลังเรามีเท่าไหร่แล้วก็เอามาใส่ให้หมดสติปัญญามีเท่าไหร่เอามาใส่ให้หมดก่อนตายอืมนางกุทโธนคิดขึ้นมาพอคิดขึ้นมาอย่างนี้ได้ละที่ไม่กลัวตายที่นีกล้าจิตใจฆ่าหันไม่กลัวตายเพราะอะไรเพราะนิสัยนิสัยนักปราช นิสัยพระอาหารหันต์มันมีอยู่มันผุดขึ้นมาเองของมันบุญกุศลมันผุดขึ้นมาช่วยที่ดี๋ยวนั่นกนงกุศลกิจเสกันแล้วไปคุยกับอาจารย์ว่าเออที่พวกเรามาอยู่ด้วยกันบางข้างบางข่าวมันจะได้ล่วงเกินกันประมาทพลาดพั้งกันอย่างใดอย่างหนึ่งเลี่ยวฉันจะขออคาราอะขอขารวะขอขมาลาโทษจะได้ไหมก่อนจะจากกันวันน ที่ของที่พวกเราเอามาว่าจะเอามาแก้บนบานนี่นี่มารวมกันใส่พันแล้วก็ใส่แล้วก็ใชมาทําพิธีกรรมแล้วก็จะเวียนพระทักษิณเราจะได้ไหมเราจะให้ฉันฉันทําได้ด้วยไหมอาจารย์เมื่อกี้ยิ้มที่นี่มันได้ท่ามันมันมันจะเล่นงานจริงๆแล้วเอราะานั้นก็เชิญท่าพิธีกรรมผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องไปทำพิธี สูงสูงไสลานพระลานหินสูงสูงบนภูเขาไแล้วก็ใกล้ๆเหวแล้วก็ผินหน้าไปทางชิดตะวันออกไปสิไปอยู่ใกล้ๆเหวพอเวียนพระทักษินได้สุดท่ากกบเชิญอาจนแต่งตัวเต็มยศทุกคนแลยก็ทิิกะให้ไปยืนอยู่หน้าผาหน้าเหวสูงสูงอ่ะฮึบ เอาพานอดอกไม้เครื่องสังบวยมามารวมกันหมดแล้ววางพานลงกับกาบเท่าด้านหลังของไอชนกราบข้างที่หนึ่งลุกขึ้นก็จะพานเวียนอา เ, เวียนขวับไปรอบที่หนึ่งแล้วก็มาวางลงแล้วก็กรกาบอีกข้งที่สองก็เวียนจากข้างที่สองหอเวียนขึ้มห่ อ, อ, เอเวียนมาข้างที่สาม พอวางผ่านว่าพอวางผ่านลงลุกขึ้นมือข้างหนึ่งจะใส่ศัยรักแร่มือข้างหนึ่งจะใส่คอพักอาจารย์ลงเหียวโอ้ยคำเดียวมันทราบว่า ก, กระดูกมันหักกี่สี่กี่คนพอเสร็จแล้วพอพักอาจารย์ลงเออออเออจนลงเหีเย่ยวแล้วมาถามตนเอียงว่าเราจะไปยังไงจะกลับบ้าน เหลือจะจะไปยังไงเนี่ยเพืนนพิจารณาเลยถ้ากลับบ้านถ้ากลับไปถ้าเขาถามว่าเ อ, อสามีเธอไปไหนจะตอบเขาว่าอย่างไรถ้าตอบว่าไปผักบนุนดงเหียตายแล้วเพื่ออย่างน้อยเขาจะเอาเราีไปตีคุกติดตารางมากกว่านั้นเขาก็จะฆ่าเราเพื่อนจุดใจตัดสินใจไม่กลับบ้าน ไปตายดับหนะ้าถ้าพวกเราจะเป็นไปได้ไม่ไปคนเดียวจะกล้าไหมนี่สาเหตุที่นางกุตรทนเกษีกล้าับหมายคว่ว่ามันมีนิสัยของพระอรหรันต์อยู่ไม่กล้าหาันไม่กลัวตายสุดท้ายกับเอาของที่เอาไปเนี่ยของที่มันพอจะเอาไปได้ก็เอาไปบุกป่าพาลงไปพอไปบังเอิญไปเจอพวกลือศรีก็ปฏิบัติ ทำอยู่อย A, e ู่ในป่านี่เขาเนี่ยเพราะเจอแล้วลกกับไปถามมาพวกท่านทั้งหลายทำอะไรนี่เวทีพวกข้าพเจ้าพากันปาพฤชษ์พรมาจารย์บำเพ็ญมารมีเวทีบวชเป็นสี่พรมบวชเอนบวชอาบวชอาบวชอาบวชเป็นฤๅษีปฏิบัติทราแล้วก็ ปฏิบัติเอาอะไรเป็นสนระที่เป็นเป็ น, ปนข้อปฏิบัติเอาให้คบต่อ ว, ว่าพากันปฏิบัติเพ่งกระสินกระสินสิบแล้วแต่ใครคนไหนชอบกะสินลูกไหนก็เอาตามอัธยาศัยของใครของเราเออันนี้มีข้อแม่อีกนหนึ่งผู้เป็นอาจารย์สอนอธรรมะปัญหาธรรมะ พ, พันข้ อ, อพันพันข้อเหมือนพออาจารย์พูดคำนี้ขึ้นมานางกุนทนเกษีชนใจอยากจะเรียนพอเ ร, เรียนที่กะแกเป็นนักศึกษามา ก, ก่อนเลยเรียนไม่ช้าไม่นานมันก็จะจบพอเรียนจบรัศนีอาจารย์ก็เลยส่งให้ไปทดลองไปทดลองออกไปหาโต ว, วาที เมืองพราณาศีว่าที <c oughs> เมือง <c oughs> เมืองพรานาสีประเทศอินเดียนในเขตสมพูทวีปอาจารย์ก็ให้จริงสมพูทวีตถือเป็นสัญลักษณ์ออกไปก็ไปในเมืองและให้แลกกับนางกุทนเกษีก็เลยไป ป, ไปักป้ายตามหัวทางทา ง, ทางสองแ่งสามแ่ ง, ส, งสี่แ่งปิติป้ายไว้ที่นี่พอไปติดป้ายครั้งแรกเลย ไปไปไปเจอเด็กแชกกันมันเล่นฝุ่นอยู่ยอยู่อยู่อันนั้นละพออ่าพอเสร็จแล้วแล้วก็ท่านก็นเลยสังพวกเด็กไว้ว่าอถ้าใครมาทำอ่าอ่าถ้าอันอันเวลาเออเออ นางกุงทนเจถีเดินไปไปปักป้ายต่อไปข้างหน้ า, นท า, าที่บาษาลิบกก็เลยสั่งให้เด๋ยวพวกนี้ทําลายป้ายที่ท่านท่านปักไว้ก่อนถ้านางกุ้งทงเจสีมาแล้วถ้าเขาถ้าถ้านางกุ้งกุ้กุก้งทงเจถีใคร เอาทำทำทำารไอ้ป้ายนี่มึงมอกว่าเอาพวกพวกสันทำมาเถอะทำไมจึงทำไปเถอะเพราะเพราะพระผ้เป็เจ้าท่านสั่งให้ให้ทำมาจเถอะนี่คือว่าพระพูทเปเจ้าท่านไปไหนแล้วท่านพูดท่านเดินไปมีธบัดพราอเสร็จแล้วนางกุณทงชีก็รีบบิ่งตามไปพอตามไปพอไปเจอเข้ากันจะไปถามปัญหาธรรม พันข้อเนี่ยภาษารีบุท่านหมว่หยุดก่อนเรายังไม่ได้ทำพัฒนาจิตยังไม่ได้สรรพิบธบาทเลย บ, บอกนัดไปให้ออกไปนอกเมืองอยู่ในป่าละเมะข้างนอกนอกเมืองนงั่งคนท็่เข้ามาในเมืองแล้ว ไ, ไปประกาศให้คนไปฟังทำปัญหาสนทนาธรรมกันโ ต, ออตว่าทีกันโตว่าทีกัน เส็จแล้วก็พอมาถามว่าไอ้พระสารีบุตรท่านใ ห, ให้ทาําไรไม่ใช่ทำไหมจึงทำลายก็ว่าไอา้พระสารีบุตรท่านสั่งให้ทำอะไรร่างกุศลก็วิ่งไปตามพอไปเจอเข้ากันรีบจะถามเนี่ยสุดท้ายก็เล่นนัดหมายซ้ำมงถึงบมายซ้ำมึจึงออกไปิ้นร่างกุศลก็เข้ามาประกาศบอกให้คนไปฟังพอไปฟังไปถามที่ ถามทั้งแต่ทำข้อที่หนึ่งจนไปถึงพันข้อจนจบไ ม, ม่ถามพระอรหันทรทำธรรมะท่านก็ตอบถูกหมดไม่ผิดพอสุดสุดท้ายก็หมดหมดคําถามเรียทร้อยแล้วที่เสด็จมาเอาไไ่ไม่ถูกไหมล่ะพระเศวตไม่ถูกถูกหมดทุกข้อเลแล้วแล้ ว, ลวเราจะถามคืนได้ไหมพระเศ ก็นี่มนุนนะร๊ะปัจจุนนี้มันท้าสามหนึ่งไม่มีสองเ่ยคืออะไรนั่นละนางกรุงนเกษศินได้สาเร็จเป็นพระอาหารหันต์โดยเสียพันธ์อันนี้มันมันอยู่ในพระไตรปิฎกแด้วคใครจะสนใจไปดูรายละเอียดให้ไปให้ไปดูหนังสือพระไตรปิฎกนั่นหมายถึงผู้ที่ได้กระทำบําเพลนมาเห็นไถ้าเป็นมะม่วง มะก็แก่มะสุกแล้วพอเอาไม้ไปแตะไปว่าจะสอยหลือมะก็จะร่วงลงเลยนี่คือเมือนกันถ้ามันพอมนี่คือเมื่อกันก่อนมะม่วงจะสุกมะกับไปตั้งแต่ช่อมันก่อนไปตั้งแต่ดอกจะช่อก่อนแล้วก็ไปถึงลูกเล็กๆก่อนแล้วก็จะเลี้ยงขึ้นไปเรื่อยๆตุ่นเจริญโตขึ้นไปเรื่อยจนมักแก่พอมะแก่เต็มที่แล้วมะก็จะสุกนั่นเมื่อเมื่อมันสุก เมื่อมันแก่มันมันก็นแก่เองเมื่อมันสูงมันก็สูงเองแต่ว่ามันแก่ขาเห็นจะแก่มันก็อาศัยการบำรุงออ่ใส่ปุ๋ยพวนดินลดน้ําบำรุงมันบำรุงบําุรเลอรักษาปฏิบัติที่นี้ถ้าจเปรียบเทียบกับบํารุงบำรเลอตัวแม่กับพวกเรากับหมายถึงข้อวัดปฏิบัติทําให้เจจอต่อเนื่องกัน ข้อว่าปฏิบัติสะสมบุญกุศลธานวัดศีลวัดภาวนาวัดการนั่งสมาธิภาวนาการนั่งปฏิบัติตามอารมณ์กรรมฐานของพวกเราบางคนก็มีในในรดับระพับมาศึกษามาจากครูจากอาจารย์สั่งสอนมาบางคนก็เอาอารมณ์กรรมฐานกําหนดลมหายใจบ้างและลึกถึงพุทโธบ้างอย่างนี้แหะ หรือบางคนก็ใช้สถิติสถิติปัญญาอ่าพิจารณามามหาสถิติประธานสีกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละอิจนากายแยกกายแยกกายแยกธาตุแยกขันธ์ออกจากกันแยกธาตุออกจากจิตจาใจแยกขันธ์ออกจากจิตจากใจโดยพิจารณาไมบ่อยรูปบ่อยเห็นไม่บ่อยเพราะฉะนั้นเรื่องแรกก็คือมาอ อมาระลึกถึงคุณบิดามารดานี่ยก่อนมาให้รู้จักอันร่างก้อนสกนลร่ากายของพวกเราน่ยไม่มีอะไรบ้างอยู่นี่ก้อนสกนลร่ากายนีย่ยมันก็นมีธาตุทั้งสีมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมรวมกันอยู่นี่ธาตุดินอยู่ตรงไหนธาตุดินอยู่ในร่างกายของพวกเราเป็นสมบัติของบิดาคือมีผมขนเล็บฟันหนังเยื่อเอ็นกระดูกเกี้ยนี่กระดูกสะโพกใส่น้อยใส่ใหญ่หันมาให้เขานี่เป็นสมบัติของมันบิดาของพวกเราทุกคนสมบัติของมารดา มีน้ำดีน้ำเสลน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเงือน้ำข้นน้ำลายน้ำมูดน้ำขี้ข้อนน้ำมูดนี่เป็นสมบัติคอมมานด้าธาตุไฟไฟยังกายให้อบอุ่นพยากายให้สุดทชมพฟยากายกบันกวาดไฟไฟอหารให้ย่อยธาตุลมลมพัดขึ้นเมืองบนตั้งแต่พื้นเท้าไปถึงศิศละลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าออกนี่รวมแล้วมันมีของสี่อย่างอยู่ในรูกควันสกุลกาของพวกเราหรือมิฉะนั้น หมดทั้งโลกนี่แหละน้องปู่ว่าไม่มีของสี่อย่างนี่ที่นี่ที่พวกเรามองเห็นด้วยตาธรรมดามีตาหนามกับบินชวนไฟความร้อนมันก็เป็นนามธรรมไม่มีตัวไม่มตนไฟลมก็เป็นนามธรรมเหมือนกันไม่มีตัวไม่เนตนจิตใจของพวกเราก็เป็นนามธรรมเหมือนกันไม่มีตัวไม่เนตนชวนที่เป็นตัวเป็นตนเป็นปก้อนสกุลและกายเนี่ยอันนี้เป็นก้อนาธาตุต่างหากแล้วทีนี่ ถ้าจ ะ, ะ, ะตั้งซื่อให้ไม่ถูกต้องตามธรรมชาติก็ธาตุดินกับเป็นสมบัติของมิดาธาตุน้าเป็นสมบัติของมัดาจะถามว่าของพวกเราอยู่ตรงไหนไม่มีเด่นทายทอดกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นล่ะตรงนี้ละ่ะที่พระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนพวกเราให้มาพิจ า, ารณาทํายังไงจิตใจมันจะถอนออกจากร่างกายถอนออกจากธาตุ ถอนออกจากดินถอนออกจากน้ําถอนออกจากไฟถอนกับจากลมนี่เวลาอ้ปกรณ์สกุกลกายธาตุทั้งสีบวกกันอยู่นึ่เมื่อเวลามันไม่ปกติมันวิพิตแปรปวนอย่างใดอย่างหนึ่งเบท น, นาไม่เกิดขึ้นนั่นเบทนะเกิดขึ้นสุขทั้งสุขทั้งทุกข์ไม่สุขไม่สุขสรารพัดย่างที่มาเกิดขึ้นมาจากร่างกายมันรวมอยู่ในขันทั้งหมดปัญหาของมันเพราะนั้น ธาตุจิตใจของพวกเราเนี่ยแยกออกมาจากธาตุจากขันได้ไม่ก็หมดปัญหาเพราะฉนั้นการปฏิบัติมามาปฏิบัติมาหาวิถีทางใช่สิิใช่ปัญญาถอนจิตถอนใจออกจากธาตุออกจากขันมาทําจิตใจของตนให้ไม่เป็นเดกเทศมาทําของทอปจิตใจของตนให้ไม่เป็นหนึ่งเท่านั้นล่ะให้ไม่เป็นหนึ่งสุข มันก็ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่จิตใช่ใจไม่ใช่ดวงจิตดวงใจทุกก็ไม่ใช่ใช่ใจเย็นล้อนออกแขนเสื้อผ้าย่างก็ไม่ใช่เช่นนั้นทุกเกิดขึ้นมันก็ไม่สุขตลอดไปทุกเกิดขึ้นทุกก็ไม่ตุกทุกตลอดไปร้อนเกิดขึ้นมันก็ไม่ร้อนตลอดไปเย็นเกิดขึ้นมันก็ไม่เย็นตลอดไป ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นทั้งภายนภายนอกร่างกายและก็ภายในจิตใจเองมันเกิดเกิดในแบบของมันมันไม่เที่ยงแปรปวนเปลี่ยนแปลงมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตาที่สิ่งใดไม่เที่ยงมันสิ่งใดไม่เที่ยงเกิดเกิดในับบสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันเป็นทุกข์นั่นเห็นไหมหล่ะสิ่งใดไม่เป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัน่งฟังจริน ถ้ามีแต่ตนของตนมันจะมีไม่มีปัญหาอะไรถ้าใจิตใจของพวกเราปา จ, จาจญกมนฑินทั้งหลายจะถามว่าอะไรเป็นมนทินก่อนสกปรกกายหมดทั้งก้อนเนี่ยเป็นมนฑินโลกอันนี้โลกมนฑินโลกอันนี้โลกร้อนโลก น, นี้โลกมืดถ้าให้พวกเราหลงสรุปแล้วควมหลงพวกเราพักกันหลงอะไรสิมันหลงตนเมื่อไม่เห็นตนมันก็นเลยมาเอาธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมว่า เป็นตัวเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่มันไม่ใช่เลยถ้าใครถอนออกนี่มาได้กระจบเรื่องพอฉะนั้นจะจ ะ, จะให้มาปฏิบัติมาสร้างสติความระลึกลูกคือคือตัวเองตัวผู้ลู่ทําตัวผู้ลูเนี่ยทําหมันเด่นขึ้นให้มันเต็มเมื่อสติเต็มปัญญาก็จะเต็มเมื่อสติเต็มปัญญาเต็มจะทำว่าอะไรเป็นสติก็จิตใจในี่แหละเป็นสติ อะไรเป็นอ่าเป็นปัญญาก็จิตใจนี่แหละเป็นปัญญาอันเดียวกันเนี่ยอยู่จุดเดียวกันอยู่ที่เดียวกันเนี่ยแต่ติปัญญาที่สรุปแล้วของดีที่สุดก็คือจิตใจของพวกเราเ ข, ขาไขของเราทุกคนจิตใจนี่แหละคือสินจิตใจในคือธรรมแล้วอย่าไปมองข้ามสินยับให้้ทำความาดจะดะของดีที่สุดคือสินคือจิตใจนี่แหละ โดยส่วนมากมันปล่อยปลาละเลยได้ไม่เอาจะใส่ทั้งวันทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีนี่แหละไม่ลึกถึงตัวเองมันไม่มีความรู้สึกตอนเรียงว่าตัวผู้รูนจิตใจมันส่งไปอยู่กับอารมณ์ภายนอกไปอยู่กับการทบงานถ้าเป็นนักเรียนก็ต้องคิดตองใจไปเรียนอยู่กับภาษาไปเรียนอยู่กับความรู้ไม่ได้ย้อนเข้ามาหาตน เพราะฉะนั้นท่านข้าวัมาวนเรือกระมาให้ให้ไหมให้จิตที่ไม่รู้กําหนดรูปเวลาจิตใจมันไหลออกไปมันปุงมันแต่งมันไหลออกไปให้กําหนดรูปเท่านั้นยาไปเบรกมันปล่อยใช่ไหมมันจะคิดอะไรที่ไปมันยินดีกับให้รูปว่ามันยินดีมันนินร่าให้รูปมันมันยินร่ายมันดีใจก็ให้มันรู้ว่ามันดีใจเราเราเป็นผู้เอออ่ะผู้ผู้ดูแล้วก็จิตใจผู้ถูก อ๋อถูกดูถูกรู้ถูกพิจารณากัมมุดไปเรื่อยๆที่นี่เมื่อมันแก่ก้ามสติมันความเห็นของจิตของใจถ้ามันแยกกันนัได้จริงๆที่นี่กันเวลาร่างกายมันแก่จิตแใจก็ไม่ได้แก่ไปด้วยเวลาเก็บไข้ที่ป่วยเจ็บปวดรู้เล่าจิตก็ไม่ได้ปวดไปด้วยเวลาร่างกายแตกจิตใจก็ไม่ได้แตกไปด้วยถ้าเป็นลักษณะถ้ามันรู้สัดเด่นหนึ่งเวลา ร่างกายจะแตกมันไม่ได้เดือดร้อนเจ็บไข้ไี่ป่วยก็ไม่เดือดร้อนเป็นโรคนั้นเป็นโรคไม่กัเป็นแต่ร่างกายถ้าจิตใจไม่เป็นโรคด้วยกันถ้าจิตใจถ้าจิตใจไม่เป็นโรคด้ว ย, ยนี่ยนะไม่เป็นทุกข์ทีนี้เวลาเจ็บไข้ที่ป่วยอย่าให้จิตไปป่วยด้วยให้ไม่ป่วยแต่ร่างกายอืถึงไปป่วยด้วยถึงไปอา่าไปเยปป็บไปถืไปประหารไปทำ มันก็พังอยู่โดยธรรมชาติแตกโดยธรรมชาติทําไมไม่จะเป็นอย่างนั้นมันพรอว่าก่อนสักวลาการอันนี้มันไม่ฟังเสียงใครมันไปไปโดยธรรมชาติของข้มีแต่จิตใจแหละไปหวงไปเห็นไปขวางทางเขาไม่อยากให้เป็นในทางนั้นนี่จนมาสร้างลงพระจะบอกบุญบารมจนมาสร้างมาผลิตพวกอยู่พวกยายาก็ฟังแต่ซื้อมันยายาถ้ามันรั่วมากมันจะยาไม่อยู่มันก็แตกเหมือนเดิมยังไงยังไงมันก็แตกอยู่แล้ว ไม่เป็นโรคเลยก็แตกเหมือนเดิมเหมือนกับเหมือนกับอันอันเนี่ยพระพากราุลันอายุของท่านร้อยหกสิบปีเกิดมาไม่เคยกินยาไม่เคยเก็บแค่ได้ ป, ป่วยป่วยของโซลอดไม่มีตั้งแต่มันเกิดไปถึงอายุแปดสิบไม่เคยได้กินยาออกบัวดีก็ได้แปดสิบเพื่อสามมาบวกกันแล้วทั้งหมดอายุของ พ, าาพระพาพระภากรลันร้อยหกสิบปีไม่มีปัญหาอะไรเลย ออถ้ามันมีกรรมโลกมันก็นไม่เกิดอีกเพราะฉะนั้นนะเป็นโลกนั้นโลกนี้ออรเด ก, กรรมทั้งนั้นกรรมทํามาจากเมื่ อ, อไรอดีตชาติเราเกิดมา ก, กี่ขั้งกี่หนกี่ชาติกี่พบแล้วไปทําอะไรไปบ้างไปฆ่าสัตว์กี่ตัวไปเบียดเบียนสัตว์กี่ตัวไปบียเบียนกี่คนไปฆ่าคนกี่คนมานี่ยมันเราจําไม่ได้นี่ยอ่านทิงทิ้งนี่ถ้าจําได้ไมันจะเข็ดหลับตรงตอนที่มันไปตกนรกเหมือนกับ อ่าเพราะพุทธเจ้าท่านสาบายอชาตเป็นอัสมัยเป็นอันพระอ่าพระพระเตมีใบถ้าขึ้นจากนรกมาใหม่ใหมพอเกิดขึ้นมาแหละเขาถามว่าเอ่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเลยเป็นเป็นชายเอา้ามันเกิดมาเยอะหรตัวหรือนเพิ่งขึ้นมาจากานรกใหม่ใหม่ที่นี่ทํายังไงเราจะเดินจะไม่ได้กลับไปเกิอดอา้ากลับไปเกิดในเมืองนรกอีกลับไปนรกอีกกระเด็น คุณคิดอยู่เนั้นละ่ะตอนนั้นเข้านั้นเข้าเป็นรอนถึงมารดาคนท่านอยู่สวรรค์สั้นดูสิเลยมาณดาเลยลงลงมาบอกอาท่านว่าถ้าท่านมาจากกลับไปตกนรกอีกให้ท่านทําตนเป็นใบทําทําตนเป็นคนรอยเปี้ยะนั่น น, นมันมันป้อมวิเ็ษหลาดดูได้เพราะฉะนั้นล่ะพวกรอท่ามัน และลึกๆถึงได้ไมันจะเข็ดดาบอยู่ในหลักการ อ, าอีกอในนี้ก็ให้ทำความเข้าใจที่พวกเราปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าเออถึงซึ่งพระนิพพานพระนิพพานก็ยาเข้าใจไปให้มันลึกเลยเถิดเลยเถื่อคาที่ว่าพราะนิพพานคือนิพิทาความเบือ่อเนอเบื่ออะไรเบื่อจิตใจตนเองหนิว่ามันหลงเบื่อร่างกายตนเองหนิว่ามันเป็นทุกข์มันเก็บมันปวด ถ้ามันเบื่อหนายมันก็คลายความกำหนัดยินดีเมื่อมาคลายความกำหนัดยินดีจิตมันก็พ้นพ้นตรงไหนพ้นตรงจิตไม่เข้าไปยึดไปถือและเพราะวันเห็ุโทษมันมันก็จบแล้วเนี่ยเพราะสุขก็มาใช่จิตใจทุกข์ก็ไม่ใช่จิตใจร้อนก็ไม่ใช่จิตใจเย็นก็ไม่ใช่จิตใจยิ่าจิตใจมันรู้ถ้าจิตใจไม่เข้าไปยึดไปถือนมันก็หมดแล้ว เพราะฉะนั้นละ่ะให้ทั้ความเข้าใจอ้อาสรุปมันมถ้าพวกเราทั้งหลายอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์ให้วางสุขในโลกอยากพ้นสุกเศร้าโศกาอะไรให้วางสุขในรักสุขทุกหนี ของมีประจำโลกมนุษย์เศร้าโศกพราสุขทุกข์ทั้งสองเมื่อละสุขละทุกข์ได้เหมือนใจปองไม่เสมองคุณมัวชั่วนิรันดรบวัตเอวังก็มีด้วยประกาศลาสนี<า>หลังจากรับพรไปแล้วเนี่ยทุกวันต่อไปทุกวันทุกวัน ให้พวกเราในแพ่ส่วนบุญกุศลไปให้ญาติให้มิตรให้สัตว์ทั้งหลายในโลกเพราะว่าบุญกุศลที่พวกเรากระทำมาตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันมันไม่หาหนีไปไห น, นหรอเมื่อเวลาเราและลึกนึกถึงเวลาใดขณะใ ด, ดเราแผ่ได้ประโยคแรกกับผู้ที่ประให้บีดามันดา เพราะว่าบิดามารดาของพวกเราไม่ใช่มีเฉพาะสองคนนี้ปัจจุบนันนี้ผ่านมาเป็นอดีต บ, บางที่น่ยยังได้ไปผุดไม่ยังไม่เป็นได้ไปผุดไปเกิดกับเพาก็ได้แล้วอาศัยพวกเราเนี่ยมีโอกาสมีเวลาได้กระทำบางเพีย้ยนเมื่อเรามีแล้วก็ให้หลกนึก ถ, ถึงบิดามารดาเออ หลายหลายคนไปตกข้างเทได้ดนึ่งอาศัยพวกเราเนี่ยอุทิปไปให้ให้เขาผ่านพน้นอันตรายไปได้ให้ไปผูกไปเกิดกระเพาะ เ, เนี่ยบรรดาเลขาโอทิปไปให้บิดามารดาครูอุบาสกอาจารย์ญาติสนิทมีสหายเจ้า ก, กรรมนายเวนพระภูมิเจ้าที่แม่นางธรณีแม่นางคงคาพญามัจจุราชนายนิรบาลและเท่าจตุโลกบาลทั้งสีและสัปสะชัดทั้งหลายโดยรอบ สุดขอบเขตจั ก, กรวาลข้างล่างถึงอเวกีมหานรกข้างบนถึงภูมิมโลกปุณณ์บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าจาและกระทามาทางกายทางประจ่าอนทางน้ำจีละทางน้ําใจในอดีตในปัจจุบันข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญนี้ไปให้พวกสั้นทั้งหลายถ้าพวกสั้นทั้งหลายบางรายที่ไม่สามารถจะรับข่าวสารนันนี้ได้ก็ขอความกรุณาจาก เทพพยุเจ้าที่สิงสถิตปฏิสถานอยู่ในส ก, กุลนรกและสกุลนกภพอันนี้ผู้มีหูทิพตาทิพจงนำข่าวสารนี้ไปบอกกล่าวให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อทราบแล้วก็หัให้อนุโมทนาผู้มีทุ ก, กข์พเขาให้มีสุขผู้มีสุขแล้วก็ให้มีมีสุขพยโยยิ่งขึ้นไปด้วยเธอจะทำทุกวันๆกวันเมื่อาทาไปจิตใจของพวกเราจะแจ้มซึนเบิกบาน นอนก็จะไม่ฝันร้ายถ้าผู้มีเมตตาเพราะฉะนั้นให้ทำความเข้าใจรับพรต่อบมันยะถาวิวะฮาปูลาปาลิปูเรนติซากาลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตตุสะเบปูเรนตุสังกปาจันโธปันลโสยทามิณิโชติลโสยธา สัพพิเตโยอิวัตสันตูสัพเปโลกโววิน า, าตโตมาเตพาวัฏวันตลระโยสุขีธีฆายุโกภวอาอภิวาธนาสีริสานิจังมุทาปชาญีโนจัตตาโลธร ม, มาวัฏทันติอายุวันโนสุขังภะรังโท